ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินารังการะดีกาแปลพระพุทธรคกิตาจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพันนามหาพิเนสกลมการออกบำเพ็ญเพียรเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่พระพุทธรคกิตาจารย์ ครั้นพันนาสมบัติของพระโพธิสัตว์ผู้ครองเรือนแล้วบัตดนี้เมื่อจะพันนาสมบัติของพระโพธิสัตว์ผู้ไม่ครองเรือนเพราะเหตุที่เมื่อพระโพธิสัตย์ยกพระบาทที่ทรงวางอยู่ที่ธรณีประตูนั้นขึ้นก็เป็นอันว่าทรงละกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพียงอนุสัยที่ทรงละด้วยมรรคในภายหลังดังนั้นในที่นี้จึงควรจะกล่าวสิ่งที่พึงตัดใจจาก บัดนี้เมื่อจะกล่าวเรื่องนั้นจึงคิดว่าเราจะ ร, จ น, ร, จ, ะรจนากระทําให้มีอลังการะเพื่อกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยประการต่างๆเพื่อเกศสะสมไว้ในคำภีอลังการของชาวมคตทั้งหลายเมื่อจะกระทําทการนอบน้อมด้วยบทอันเป็นคู่ย้อนลําดับก่อนจึงกล่าวว่า นโมตัสสะยะโตมหิมตโตยะสะตัโมนะความมืดย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระพาเจ้าพระองค์ใดด้วยความยิ่งใหญ่อันใดขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระคเจ้าพระองค์นั้นพระโพธิสัตว์ทรงเห็นนิมิตทั้งหลายอันตัดความมัวเมา ทรงเห็นรูปแปลกของหยิมทั้งหลายอันตัดความยินดีทรงเห็นกรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันตัดความสุขทรงได้ยานทั้งหลายอันสามารถในการตัดพบทรงเปล่งอุทานอย่างน่ากลัวสเสด็จลุกขึ้นออกไปเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่ยิ่งใหญ่ดุจบุรุษลุกออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ทรงมองดูพระมเหสีและพระโอรสของพระองค์ ไม่ทรงแผ่ห่วงแห่งความรักของพระองค์ออกไปเมื่อเรายกพระบาทที่ประตูเมื่อเรายกพระบาทที่ประทับอยู่ที่ธรณีประตูสถานที่ขับไล่มารไปเพื่อทำที่พระอริยเข้าถึงอย่างคนที่องค์อาจคิดว่าควรไปด้วยแผ่อารังการเป็นไปอย่างแรงกล้าเพื่อทำลายความกำหนัดของเรา ในคําเหล่านั้นคําว่าปฏิโลมะยะมะังบทเป็นคู่ย้อนลำดับคือเมื่อกล่าวตั้งแต่อักษรตัวต้นจนถึงอักษรตัวท้ายและตั้งแต่อักษรตัวท้ายจนถึงอักษรตัวต้นบทนั้นจะประกอบด้วยอักษร15อักษรดังนั้นจึงเป็นดังนั้นจึงชื่อว่าบทที่เป็นคู่ย้อนลำดับก็คือตั้งแต่ตัวหน้าไปถึงตรงกลาง กลับตัวหลังไปถึงตรงกลางเนี่ยจะอ่านแล้วข้อความเหมือนกันนะก็คือนะโมตัสะยโมมหิมะโตยัสตะโมนะเนี่ยถ้าอ่านจากข้างหลังมาก็จะได้ความเหมือนกันนะได้เสียงเหมือนกันก็คือนะโมตัสะยโมมหิมะโตยัสตะโมนะเหมือนกันแล้วก็แปลแปลข้อความก็แปลจากหน้าไป มีข้อความว่าความมืดย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พ, พระองค์ใดด้วยความยิ่งใหญ่อันใดขอความนอบนอบ้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พ, พระองค์นั้นในอักษรเหล่านั้นคามายะโตมหิมโตด้วยความยิ่งใหญ่อันใดคือด้วยอานุภาพอันใดคํานี้เป็นปัจจมีวิพัตใช้ในอัดแห่งเหตุความมืดคืออากุศลรธรรมอันเป็นฝ่ายแห่งสังกิเลอันมีโมหะเป็นรากเง้า อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงทําลายแล้วด้วยอนุภาพแห่งบารมีอันใดด้วยอนุภาพแห่งมหาบริจาคมหประการใดด้วยอนุภาพแห่ง โ, โลกตถจริยาและยาตถาจริยาใดด้วยอนุภาพแห่งการประพฤติความเพียรใดด้วยอนุภาพแห่งมารวิชัยความชนะมารอันใดด้วยอนุภาพแหง่ววแหงวิชาสามประการใด ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธรคิตาาจารย์ครั้นแสดงความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นเหตุให้สำปทาทั้งปวงอันสามารถห้ามอันตรายทั้งปวงอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงการตัดทําลายความกําหนัดที่ตนพึงกล่าวตั้งแต่ปุพนิมิตจึงกล่าวบทเป็นคู่สุดท้ายว่าดิสวานิมิตตานิ ทรงเห็นนิมิต ท, ทั้งหลายเป็นต้นในคำนั้นมีการเชื่อมความดังนี้คือทรงเห็นนิมิต ท, ทั้งหลายที่ตัดความมัวเมาในคำเหล่านั้นคำว่านิมิตตานินิมิทตม ท, ทั้งหลายอธิบายว่าพระมาหาบุรุษทรงเห็นนิมิตสี่อย่างคือทรงเห็นคนแก่แล้วทรงละความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ทรงเห็นความเจ็บแล้วทรงละความเมาในความไม่มีโรค ทรงเห็นคนตายแล้วทรงละความเมาในชีวิตทรงเห็นบรรพชิตแล้วทรงละความเมาในความกำหนัดได้ทรงมุ่งมั่นต่อเนคขมะคำว่าถีนางวิรูปานิระติชิดานิทรงเห็นรูปแปลกของหญิงทั้งหลายอันตัดความยินดีอธิบายว่าทรงเห็นท่าทางแป ล, แปลกๆที่ปรากฏขึ้นด้วยอนุภาพของเทวดาของสตรีนาฏศิลป์เหล่านั้น ซึ่งนอนหลับซึ่งเปรียบด้วยนางเทพธิดาทรงตัดความยินดีในกรมอื่นอีกคําว่าปาปานิกรรมมานิสุขัดฉิดานิทรงเห็นกรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันตัดความสุขอธิบายว่าทรงเห็นบาปกรรมมีโลภะโทสะโมหะและมานะทิฐิเป็นต้นอันมีอยู่บริบูรณ์ในสันดานของพระองค์และบุคคลอื่นซึ่งจะก่อความพินาศให้แก่ทิพย์สมบัติ รมสมบัติและมนุษยะสมบัติคำว่าลัทธานญาณานานิพวัชิดานิทรงได้ญาณทั้งหลายอันสามารถตัดพบอธิบายว่าจากนั้นทรงได้พบประสบพยาญาณอาทีนวญาณ น, นิพิธายานอันจะตัดซึ่งพบอย่างนี้คือทุกทั้งปวงมีวัตตะเป็นมูลเมื่อมีอุปาติภพบกรรมภพบก็ย่อมมี สำหรับญานเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็เคยได้ประสบได้พบได้ประจักษ์มาแล้วในอดีตครั้งที่บวชเป็นพระวิษุอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์เก่าๆมีพระสมมาสมุทเเจ้ากัสสปะเป็นต้นถึง อ, อนุโรมญานแต่อนุโรมยานนี้นอกพระวิถีนะเพราะว่าอนุโรมยานนี้จะมีสามระดับอนุโรมยานแบบแบบเล็กน้อยอนุโรมยานแบบพันกลางแล้วก็อนุโรมยานแบบอกุศล ถ้าอนุรมญานขั้นต่ําก็เป็นพวกวิปัสสนาญาณที่เป็นตะรุณาวิปัสนาอนุโรมยานขั้นกลางก็เป็นพวกพลาวัตวิปัสนาอนุโรมยานขั้นสูงก็หมายถึงอนุโรมยานในมรรควิถีแต่ว่าในอาติยถาคติการสูตรเนี่ยบอกว่าพระองค์ทรงได้ปฏิบัติได้วิปัสนาจนถึงอารมณ์อนุรมยานสันติก็หมายถึงเป็นอนุโรมที่ อยู่นอกมรรควิธีนะนั้นยานพวกนี้พระองค์ก็คงส่งได้ไมาแล้วพย า, ยานก็หมายถึงเป็นยานที่เกิดขึ้นจากความกลัวภัยในสังขารลกลัวภัยในภพทั้งปวงเห็นภพทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับหลุดหลุมฐานเพลิงแล้วก็อาทีนวายานก็เห็นสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นโทษนิพิทายานก็เห็นสังขารทั้งหลายด้วยความเบื่อหน่ายนั้นสามยานนี้ก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นยานเดียวกันนะนะ พ ย, ายาัญาณอาทินวญาณแล้วก็นิพิทายานก็ส่งได้ไมาแล้วใน อ, ในอดีตเพราะฉะนั้นในปัจจุบันแม้ตอนที่เป็นพระโพธิษัตวทรงก็ทรงเห็นด้วยพ ย, ายาัญาณอาทินวญาณแล้วก็นิพิทายานด้วยแบบนี้พระพุทธรักษิตาจารย์เมื่อจะแสดงความที่พระมหาบุรุษทรงยังญาณ น, นั้นให้เกิดขึ้นแล้วทรงลุกจากที่บรรทมเสด็จไป จึงกล่าวบทที่เป็นคู่เชื่อมต่อกันแห่งบาทว่าปดิตะเคหาจากเรือนที่ถูกไฟไหมในคำนั้นมีอธิบายว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้อยู่ในท่ามกลางแห่งเรือนที่ถูกไฟรอบด้านไฟไหมรอบด้านได้ประสบทุกข์จากเปลวไฟเผาไหมมีหนังลอกเป็นต้นเฉพาะหน้าทำลายเปลวไฟโลดเล่นออกไปรักษาชีวิตไว้ หนีไปได้ฉันใดพระมหาปรุษก็ฉันนั้นทรงอยู่ในถ้ำกลางแห่งภพสามที่ถูกไฟคือทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นไม้แล้วทรงสดาความอาลัยในสมบัติทั้งปวงรักษาพระองค์ไว้ทรงเปร่งอุทานอย่างน่ากลัวว่าวุ่นวายจริงหนอขัดข้องจริงหนอทรงลุกจากที่บันทมสเสด็จออกไปแล้วคำว่ามเหสี ผู้เป็นใหญ่ที่ยิ่งใหญ่หรือว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีวิเคราะห์ว่าพระมหาบรุษนั้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ามเหสีผู้เป็นใหญ่ที่ยิ่งใหญ่เพื่อรักษาบทที่เป็นคู่แปลงอักษรเป็นอิ อ, อักษรมาจากคาว่ามหันตะบวกกับอีสัตเป็นมเหสัต เสระเป็นสิเป็นมเหสีม เ, เหสิคือพระโพธิสัตวทรงเป็นมหาอิสวนคือเป็นผู้ใหญ่ยิ่งสตรีใดย่อมสแสวงหาความเจริญมากเพื่อสามีของตนพระเหตุนั้นสตรีนั้นจึงชื่อว่ามเหสีผู้สแสวงผู้สแสวงหาความเจริญอันนี้มเหสีก็หมายถึงเมเหสีของพระราชานะผู้สแสวงหาความเจริญให้สามีของตน พระมหบุรุษทรงมองดูพระเหสีนั้นและพระโอรสของพระองค์คือทรงมองดูมารดาและบุตรซึ่งบรรทมบนที่บรรทมอันประเสริฐที่โปรยดอกมะลิและมะลิษรอเป็นต้นประมาณอัมมะณะหนึ่งประมาณอัมมะณะเท่ากับสี่สิบสีธนานนะในห้องบรรทมที่ตามประทีปน้ำมันหอมลุกโผลงทำด้วยรัตนเจ็ดประการ ดุดดังดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เคลื่อนคล้อยลงในท่ามกลางห้วงอนนบทรงมีความเสน่หาที่สึมทราบด้วยปีติสมนัต์แผ่ไปทั่วพระวรกายดุดห้วงน้ำไหลบ่าท่วมทรงทราบว่าความรักพระโอรสมีพลังแรงกล้าจึงทรงมนัสการโดยอุบายทรงข่มความเสน่หาไม่แผ่ไปคือไม่ทรงให้แผ่ขยายออกไป ถัดมาพระพุทธรักิตาจารย์เมื่อจะแสดงว่าพระมหาบุรุษได้ทรงกระทำอะไรจึงปราบบาทคาถาคู่ต้นว่าอุมมาระอุมมาระขะตุทธรตวาทรงยกพระบาทที่ประทับอยู่ที่ธรณีประตูสถานที่ขับไล่มารเป็นต้นในคํานั้นคําว่าอุมมาโรประตูคือเสาระเนียด หรือว่าเสารายปักที่ประตูวิเคราะห์ว่ามารถูกยกขึ้นคือถูกฉุดออกไปในที่นี้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอุมมาระสถานที่ขับไล่มารออกไปที่ประตูอันเป็นสถานที่ขับไล่มาร น, นั้นคําว่าขะตังประทับอยู่คือทรงวางลงบวดว่าประดัง พระบาทคือพื้นพระบาทของพระองค์คําว่าอุทธริตวาประดังยาตะนาราสภัสสะทรงยกพระบาทเสด็จไปเพื่อทําที่พระอริยะเข้าถึงอย่างคนที่องอาจคือเสด็จไปเพื่อทําที่พระอริยะเข้าถึงอย่างคนที่องอาจอย่างคนที่สูงสุดเพื่อพระนิพพานคําว่าอลังควรใช่ไหมอาจว่าสมควร คำว่าอนังโคในคําว่าอนังคะพังเคเพื่อทําลายความกําหนับหมายถึงการมราคะโดยพิเศษความกําหนับในเมตุนนั่นแหลโดยพิเศษก็หมายถึงความกําหนับในเมถุนชื่อว่าอนังคะอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ามีอนังฆเทวดาอนังฆเทวดานั้นคือกามเทศว่าโดยประมัดได้แก่การมราคะอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ากามกุลห้ามีรูปเป็นต้น เป็นเครื่องร้อยรดัดห้าอย่างเป็นลูกศรห้าอย่างแห่งการมราคะนั้นอวัยวะคือร่างกายแห่งกามราคะนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอะนงังคะไม่มีอวัยวะการทําลายคือการทําการมราคะอันไม่มีอวัยวะนั้นให้พินาศชื่อว่าอนาะนังคะพังคะการทําลายความกําหนับเพราะว่าไอ้เจ้าการมราคะมันไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมนะ อีกอย่างหนึ่งความกําหนัดอันพระโพธิสัตว์นั้นทําลายคือทําลายแล้วเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงชื่อว่าอานังฆพังโคผู้ทําลายความกําหนัดแล้วด้วยวิปัสนาญาณเป็นต้นแม้แต่มัคคุยานย่อมมีนายภายหลังก็คือเบื้องต้นก็ทําลายด้วยวิปัสนาด้วยการพิจารณาเห็นอย่างแจ่มแจ้งต่อมาก็เมื่อ ประทับนั่งบนโพธิที่บันลังจึงทำลายกิเลสเหล่านี้ด้วยมรรคยานคำว่าอันลังคะการมราคะหรือว่าความกําหนักนั้นย่อมถึงความดับไปโดยไม่เกิดขึ้นด้วยคุณเหล่าใดในวิถัยแห่งคุณณสาคอนั้นคำว่าอัลังการะตะเรนะคันตุง จะไปด้วยแพรอลังการคือความคิดของเราเป็นไปอย่างแรงกล้าว่าจะไปด้วยแพรคือแพรใหญ่ที่สาเร็จด้วยอลังการมีการแสดงรูปเปรียบที่บอกสภาวะเป็นต้นบทว่ามานังคะพังเคเพื่อตัดความกหนัดของเราเป็นอลังการที่ประกอบจากคำว่าเมอนังคะพังคะอนังคะพังเคลักษณะคำที่เป็นยมกคือเป็นคู่ กล่าวไว้ในคำเภีร์อลังการารากษาโดยในเป็นต้นว่ายามะกะบทซ้ํากันก็คือบทที่เป็นคู่นั้นเกิดจากหลายพยางกล่าวซ้ํากันมีทั้งแบบไม่มีคําอื่นแทรกแบบมีคําอื่นแทรกและแบบผสมกันมีที่ใช้ทั้งต้นบทกลางบทแล้วก็ท้ายบทเท่านั้นการกล่าวหรือ ว, ว่าการแต่งฉันแต่งคาถา ที่เป็นยมกก็คือเป็นคําเป็นคู่คู่เนี่ยนะมีทั้งบทแทรกแบบไม่แทรกแบบประสมกันทั้งต้นบทกลางบทไท้ายบทนี้ก็เป็นความวิจิตพิศดารของการพลังการแห่งให้ระดับตกแต่งกาถาให้สดใสสวยพระพุทธรกิตอาจารย์ครั้นกล่าวอาการตัดทําลายความกําหนัดอย่างนี้แล้วบัทนี้เมื่อจะกล่าวการตัดทําลายความกําหนัดนับแต่ต้น เพื่อจะแสดงความเป็นไปแห่งพยาตุปัฏฐานญาณอาทีนวญาณ น, นิพพิทายานของพระมหาสัตรกรจึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษผู้เป็นใหญ่ที่ยิ่งใหญ่สเสด็จถึงธรณีประตูสถานที่ขับไล่มารได้ทรงดำริถึงการตัดทำลายความสำนึกว่าประโยชน์อะไรของเราผู้ยืนอยู่ตรงหน้าความแก่และความตายผู้ไม่ดำรงอยู่ในอนานาจของตน แต่ดำรงอยู่ในอำนาจแห่งกามประโยชน์อะไรจะไปอยู่ในอำนาจของกามทำไมไม่อยู่ในอำนาจของตนโมกษบุคคลก็คือบุคคลผู้หลุดพ้นจะให้สำเร็จด้วยกามด้วยกามไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้มีแก่เราด้วยมานะด้วยมานะมานพร้อมทั้งเสนาบา น, นใครๆห้ามไม่ได้ย่อมย่อมดีเรา ดุดบุคคลหีบอ้อยด้วยยนต์เราเห็นหมู่ชนผู้ถูกไฟเผาไหม้ผู้เตรียมจะไปผู้ถูกพัดพาไปผู้พร่องผู้ไม่มีที่ต้านทานผู้ไม่มีที่เร้นผู้ไม่มีที่พึ่งเหล่านี้แต่ไม่เห็นแดนกเกษมแล้วจะพึงนำหมู่ชนนั้นไปในแดนที่ไม่มีการามด้วยกามได้ยอย่างไรเราจะยังไม่กระทำการสงเคราะห์ พอบรรลุวิชาพ้นจากอวิชาจึงจะสามารถไปพาหมู่ชนผู้ไม่มีวิชามีแต่อวิชาผู้ถือสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระผู้เป็นเช่นกับสียาตาให้ข้ามพ้นได้ชนทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันนั้นพากันกล่าวว่าราวชนผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งทิดทิไม่เห็นทางหลีกออกเป็นบุคคลผู้เลิศ เราจักกำจัดข้อปฏิบัติที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความมืดคือโมหะดุดนักบวชเปลือยนั้นด้วยมักอันเลิอชนทั้งหลายย่อมก่อทุกข์ที่ทนได้ยากให้เกิดขึ้นแก่ชนทั้งหลายด้วยการคมเหงย่อมไม่รู้สึกทุกข์ที่ทนได้ยากด้วยการคมเหงอันมีการไม่รู้นั้นเป็นต้นเหตุว่าเป็นบาปโอคะโยคะอาสวะและสังกิเลสเหล่านั้น เกิดจากสันดานของสัตว์นั้นย่อมยังสันดานของสัตว์นั้นให้พินาศความเกิดความแก่และความตายเป็นไปในต่วเดียวกันความพินาศหลายอย่างนั้นมีไม่ผ่าดระยะเราเป็นผู้รู้เองรู้อนุสัยของสัตว์อันเป็นแดนรุ่งเรืองแห่งเกเรททั้งหลายตลอดกาลนานยังโพธิญาณให้สําเร็จสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายจะไปเยี่ยมโอรสผู้เป็นคนสุดท้ายในบรรดาโอรส ในภายหลังจากทิพนั้นเป็นดุดพวงมาลายจากที่อกราชสมบัติเป็นไปกับความเศร้าหมองหมกมุ่นกับมหรสศพพวกพ้องทั้งหลายและชนเหล่าอื่นมาผูกมัดเราโอรสของเรานี้เกิดมาเป็นพูดแห่งความรักสตรีเหล่านี้แผดเผาปราสาสันรุ่งเรืองมีอำนาจมีศิริเป็นเรือนที่อยู่ของสัตว์เลือ้อยคานมีพิษมากนี้ เป็นกวาดหนามในหนทางที่ปัดกวาดแล้วสิริอันงดงามของสตรีตรนางใดไม่มีแก่สิริเทพธิดาการมองดูสตรีนางนั้นแล้วจะหมดความยินดีย่อมไม่มีเอาละเราจะขอทําลายเสียนแห่งความรักของเธอไปอย่างลีลาการเยื้องกลายของสีห์บนกระพองช้างที่ตกมันดูก่อนการมาเทพผู้เจริญ ท่านผู้มีลูกสรที่ยิงออกไปแล้วแม้ตลอดกาลนานตั้งแต่นี้ไปท่านจงเก็บลูกสรทั้งหลายท่านจงหยุดยัง้งลูกที่ยิงออกไปแล้วเพราะการหยุดยัง้งท่านจะเคราะห์ร้ายด้วยใจท่านอย่าได้เศร้าโศกเราจะไม่เลี้ยวแลแม้เธอจะเศร้าโศกจะไปตู่สันติเพระมหาบุษทรงดริตถึงความยินดีในกามคุณความยินดีในวิเวกว่ายาเลย ดีแน่ย่าเลยความยินดีในการมาคุณดีแน่ความยินดีในวิเวกทรงทำลายความอาลัยในความรักจากไปหลีกไปดุดหญิงสาวเห็นงูนั้นในที่นั้นแล้วอ่อนแรงกลัวแล้วก็หลีกไปนี้เป็นอัธยาศัยในเนคขมมะของพระโพธิสัตว์ในคำเหล่านั้นคำว่าอุห ม, มาระ อุ ม, มาระคโตเสด็จถึงธรณีประตูสถานที่ขับไล่มารอธิบายว่าพระโพธิสัตว์ประทับยืนอยู่ที่ธรณีประตูอันเป็นสถานที่ขับไล่มารทรงดำริโดยชอบคือโดยโยนิโสมนัสิการว่าเราจะทำลายความรักได้อย่างไรปกติคนก็จะชอบ ท, ท, ที่จะมีความรักแล้วก็อยากจะให้ความรักสมความปรารถนา แต่พระโพธิสัตว์นี้คิดว่าจะทำให้ความรักที่สมความปรารถนานั้นหมดไปคือทำลายได้อย่างไรก็เป็นความคิดที่เป็นโยนิสมนัสการที่ตรงกันข้ามกับชาวโลกทั้งหลายคำ ว, ว่ากิงเมชรามัจุุมเขติตัสสะประโยชน์อะไรของเราผู้ยืนอยู่ตรงหน้าความแก่และความตายอธิบายว่าเพราะได้ความเกิดมาเราจึงเข้าไปถู ปากแห่งรากสดคือความแก่และความตายมันจะกัดกินเอาแน่แท้คาว่าณนะเมวเสกามะวะเสติตัตสะผู้ไม่ดำรงอยู่ในอำนาจของตนแต่ดำรงอยู่ในอำนาจแห่งกามอธิบายว่าเราไม่มีอำนาจดำรงอยู่ในอัตภาพที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งการพึงนำคำว่ากาเมนะในคาถาตอนต้นมาประกอบเป็นคำว่า กิงเมวัตถุกาเมนะจกกิเลสกาเมนะจะแปลว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมนี้เป็นบทต้นที่กล่าวซ้ำกันคำว่ากาเมนะกาเมนะนะสาทะโมกขังโมกษาบุคคลก็คือบุคคลที่ปรารถนาความหลุดพ้นจะให้สำเร็จด้วยกาด้วยกามไม่ได้อธิบายว่า พระนิพพานไม่ใช่สิ่งที่บุคคลจะพึงให้สำเร็จด้วยวัตถุกรรมหรือด้วยกิเลสกรรมคำว่ามาเนนะมาเนนะมมัติกินจิประโยชน์อะไรอะไรไม่มีประโยชน์อะไรอะไรไม่ได้มีแก่เราด้วยมานะด้วยมานะอธิบายว่าประโยชน์อะไรอะไรอย่ามีแก่เราด้วยมานะนี้คือด้วยอัศมิมานะด้วยมิชามานะว่า เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือย่อมไม่มีนั่นเทียวหากมีคำถามว่าพระเหตุไรตอบว่ามารแม้ใครใครก็ห้ามไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งเสนาที่ท่านได้แสดงไว้ว่ากามาเตปธรมาเสนาการทั้งหลายเป็นเสนากองที่หนึ่งของท่านย่อมย่ำยีซึ่งเราดุดบุคคลหีบท่อนอ้อยด้วยเครื่องยนต์หีบอ้อยดังนั้นประโยชน์แม้อะไรอะไรย่อมไม่มีแกเราด้วยกาม หรือด้วยความถือตัวอันยิ่งก็คือมานะคําว่าอาดิตังผู้ถูกไฟเผาไหม้คือถูกไฟสิบเอ็ดประการเผาไหม้คําว่าอุยาตังผู้เตรียมจะไปคือตระเตรียมจะไปะเผชิญหน้ากับความตายคําว่าปะยาตังผู้ถูกพัดพาไปคือถูกโอคะสีพัดพาไปก า, มกามโมคะ พระโคะทิโตคะแล้วก็อวิโชคะคำว่าอูนังผู้พร่องคือพร่องไม่เต็มเพราะท่านกล่าวว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิมเป็นทา่าแทงตันหาคำว่าอัตานังผู้ไม่มีที่ต้านทานคือเป็นจากการอารคขาอะไรๆที่เหมือนโล่ป้องกันลูกศรบทว่าอะเลนัง ผู้ไม่มีที่เร้นคือเว้นจากสถานที่หลีกเร้นคำว่าอาสระนังผู้ไม่มีที่พึ่งคือไม่มีที่ต้านทานคำว่าชเนเตชนเหล่านั้นคือเราเห็นชนทั้งหลายเหล่านี้ผู้เป็นอยู่อย่างนี้ยังมีความใคร่อยู่ปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นมีความสงสารยังไม่เห็นความเกษมยังมีความใคร่คือยังเสกกามจะพึงแนะนําชนเหล่านั้นได้อย่างไร ได้แก่จะพึงนำไปให้ดีวิเศษได้อย่างไรคือเราผู้ยังมีการจะพึงช่วยเหลือชนเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ในพระนิพพานที่ไม่มีการได้อย่างไรอธิบายว่าเพราะฉะนั้นเราพึงเว้นการทั้งหลายแม้จะมีความสงสารสัตว์ทั้งหลายบัดนี้เพื่อจะแสดงบทที่กล่าวซ้ากันทั้งหลายดุดล้อรถสี่ล้อในบาททั้งสี่ พระพุทธรักษีตาจารย์จึงกล่าวบทที่กล่าวซ้ํากันทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายว่าวิชายาวิชาย ะ, ายะจุตังจุเปตังผู้ไม่มีวิ ช, ชามีแต่อวิชาซึ่งมีอธิบายว่าผู้เคลื่อนคือเสื่อมจากวิชาได้แก่วิปัสนาปัญญาเป็นต้นตามลําดับเข้าถึงคือประกอบด้วยอวิชาได้แก่โมหะคําว่าอาสารสารูปะกตัง ผู้ถือสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระคือยึดถืออัตตาเป็นต้นอันไม่เป็นสาระเลยว่าเป็นสาระคาว่าอันฉนังผู้เป็นเช่นกับศียาตาคือผู้เป็นเหมือนศียาตาได้แก่มหาชนผู้พื่งพร้อมด้วยธรรมดาอย่างยิ่งอธิบายว่าก็เราจะไม่ไปสงเคราะห์คือจะไม่ไปประทาการสงเคราะห์อะไรๆเราพ้นจากอวิชชาและมีวิชา คือละอวิชาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจักควรไปพาประชาชนผู้พ้นได้แก่เตื่อมไปแล้วจากอาวิชาแล้วให้ข้ามพ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังจะไปช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ยังจะไม่ไปช่วยด้วยจนกว่าเมื่อไหร่จะละอวิชาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะไปช่วยให้หลุดพ้นจากอาวิชาคาว่า มักคันติโนทิฏฐิคตาปะวักคังเหล่าชนผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งทิฏฐิไม่เห็นทางหลีกออกคือชนเหล่าใดมีมิจฉาทิฏฐิเป็นคติชนเหล่านั้นย่อมไม่เห็นคือไม่พบทางหลีกออกได้แก่พระนิพพานคาว่าอัคคาติเตวาหุชนะสมักขาชนทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกันนั้นพากันกล่าวว่า เป็นบุคคลผู้เลิศคือชอนจำนวนมากผู้พร้อมเพียงกันเหล่านั้นและพากันกล่าวได้แก่บอ ก, กันว่าเหล่าชนผู้มีมิจฉาทิฏฐิเป็นคติเป็นบุคคลผู้เลิศได้แก่เป็นบุคคลผู้สูงสุดนี่ก็พวกลทัทธินอกศาสนานะประชาชนทั้งหลายผู้ไม่รู้ก็ไปกล่าวว่าก็เป็นบุคคลบุคคลผู้เลิศผู้สูงสุดบทว่านักขังอโโหโมหะตะมัมมะวคัง ข้อปฏิบัติที่เป็นฝักไฟแห่งความมืดคือโมหะดุดนักบวชเปลือยคือข้อปฏิบัติที่เป็นฝักไฟแห่งโมหะอันมีความมืดเป็นลักษณะได้แก่ฝักไฟแห่งอกุศลเป็นข้อปฏิบัติที่ไร้อย่างอายเปล่าประโยชน์ดุดนักบวชเปลือยไม่นุ่งผ้าคําว่าวัคังหะนิสสามิตมะฆะมค ข, ขาเราจะ ก, กําจัดข้อปฏิบัติที่เป็นฝักฝ่ายนั้น ด้วยมัคอันเลิศคือเราจักกาจัดข้อปฏิบัติที่เป็นฝักฝไ ฟ, ฟแห่งอาคุลนั้นด้วยมัคอันเลิศคือด้วยอรหัตมรรคคาว่าปะสัยหะกาเรนะด้วยการข่มเหงคือโดยพละการคําว่าอาศัยหะดุก ข, ขังทุกขที่ทนได้ยากได้แก่ความทุกข์ที่ใครๆไม่สามารถจะอดกลั้นได้คําว่าชนาชะเนนตีหะชะนานเมวะ ชนทั้งหลายย่อมก่อให้เกิดขึ้นแก่ชนทั้งหลายขอทุกความเบียดเบียนต่างๆคือชนทั้งหลายนั่นแหละย่อมก่อความทุกขโดยประกันต่างๆให้เกิดขึ้นได้ แ, แก่ย่อมให้เกิดขึ้นแกชน่ชนทั้งหลายชนทั้งหลายผู้กระทำอยู่อย่างนี้เหล่านั้นย่อมไม่ทราบเหตุจากการก่อให้เกิดทุกนั้นซึ่งจะให้ทุกขที่ทนได้ยากด้วยการข่มเหงแม้แก่เราทั้งหลายในอนาคตว่านี้เป็นบาปนี้เป็นกําลังแห่งโมหะ นี้เป็นสภาวะประจำโลกก็คือไม่รู้หรอกว่าการไปข่มเหงคนอื่นเ้าจะทําให้เกิดความทุกข์แก่ตนด้วยหน้าของโมหะเคืออวิชชานั่นเองในคาถาตอนต้นว่าเตโอคาโอคาเหล่านั้นอธิบายว่าโอคาเป็นต้นเหล่านั้นตั้งขึ้นคือเกิดขึ้นจากสันด า, ข น, ดานของสัตว์นั้นย่อมยังนิสัยสันดานของสัตว์นั้นให้เสียไปได้แก่สัตว์ทั้งหลายเองเย่ยอมยังสัตว์ทั้งหลายให้พินาศ แม้ด้วยอํานาจของสัตว์อกุสสรธรรมทั้งหลายย่อมยังกุสสรธรรมทั้งหลายให้เสียไปแม้ด้วยอํานาจแห่งธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายดํารงอยู่ในสังสารวัตรแล้วจะพ้นจากทุกขในสังสารวัตได้อย่างไรในคําว่าอนเนขอโทษครับในคําว่าเอกันติกังชาติชร า, าจะมัจจุ ความเกิดความแก่และความตายเป็นไปในส่วนเดียวกันหมายถึงว่าเป็นของแน่นอนความแก่ความเจ็บความตายหรือว่าความเกิดแก่ตายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีแน่นอนนั้นอธิบายว่าอันความเกิดความแก่และความตายนี้เป็นไปในส่วนเดียวกันคือเป็นทุกข์ได้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความแก่นั่นแหละพอถึงความแก่แล้วก็ย่อมตายไป สัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วก็ย่อมเกิดอีกนั่นแลเทวดามารพรมพระพุทธเจ้าหรือแม้ใครๆไม่สามารถจะห้ามความเกิดความแก่และความตายนั้นจึงชื่อว่ามีภาวะส่วนเดียวกันคือมีภาวะแน่นอนเอกันตะนี่นะเอกันตะคำ ว, ว่านิรันตรงตังบยสนันจะเนกังความพินาศหลายอย่างนั้นมีไม่ขาดระยะ คือความพินาศหลายอย่างเป็นต้นว่าความพินาศแห่งญาติความพินาศเพราะโรคความพินาศแห่งพวกทรัพย์ความเสียศีลความเสียด้านทิฏฐิคื อ, ค อ, คอทิฏฐิพยาสนะเนี่นะมีไม่ขานระยะในที่ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วคําว่าสัตวานุสยังอนุสัยของสัตว์คือกิเลสที่เหมือนนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์ทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งอนุสัยของสัตว์ คือกิเลส ท, ที่เหมือนกับนอนเนื่องอยู่ในจิตของสัตว์หรือว่าของตนคำว่าสยามภูเป็นผู้รู้เองคือรู้อยู่ด้วยตนเองนั่นเองคำว่าสุตังสุดตันตังโอรสผู้เป็นคนสุดท้ายในบรรดาโอรสคือพระโอรสองค์สุดท้ายองค์ท้ายสุดในบรรดาโอรสเพราะไม่มีการเกิดใหม่ อีกอย่างหนึ่งพระมหาบุรุษทรงดําริว่าเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จักได้เห็นโอรสจำนวนโกรธในบรรดาโอรสทั้งหลายอันโอรสจํานวนเกินจากนั้นย่อมไม่มีในมนุษยโลกเราจักมาเยี่ยมในภายหลังเพราะยังถอนกิเลสขึ้นไม่ได้เดี๋ยวถอนกิเลสขึ้นได้แล้วจึงจะมาเยี่ยมพระโอรสในภายหลังแล้วก็จะทําให้เป็นโอรสองค์สุดท้ายคือจะไม่มีการเกิดใหม่ของผู้สืบเผ่าพันธุ์อีกต่อไป คำว่าตังทิพทะจักกังอุระจักกะมาลังจักทิพนั้นเป็นดุจพวงมาลัยจักที่อกพวกเนมิติกาจารย์พยากรณว่าจัก ร, รัตนาทิพย์อันใดจักปรากฏจักทิพนั้นย่อมปรากฏแก่เราเป็นดุจพวงมาลัยจักที่อกเพราะไม่ให้ยกศีรษะขึ้นจากทุกข์ในวัตตะอันหาที่จุดมีได้ ราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิใดที่จะพึงได้รับพร้อมกับจักรรัตนานั้นราชสมบัตินั้นเป็นไปต่อความเศร้าหมองคือก่อภัยให้พระองค์เห็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็คือจักรรัตนะซึ่งเป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายที่ใครๆก็ปรารถนาตั้งความปรารถนาเวลาทำบุญแต่ว่าพระองค์ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เศร้าหมองแล้วก็มันก็ขวางใจอยู่ นะพวงมรารัยจักที่อกนี่นะก็เหมือนว่ามันมาทำลายมาขวางในจิตในใจไม่ให้เกิดความสบายใจคำว่าสมัชชะมัชชังหมกมุ่นกับมหรศศพคือมหรสศพฟ้อนรำของสตรีสองหมื่นนางใดมหรสศพแม้นั้นย่อมเป็นดุดความเมาและท่าทางของพวกดื่มสุราคำว่าเตพันธวาพันธนะมาคตาเปรเร พวกพ้องทั้งหลายและชนเหล่าอื่นมาผูกมัดเราคือพวกพ้องจำนวนหลายพันแม้เหล่านั้นก็มาผูกมัดเราด้วยตัณหาพวกปะจามิตรเหล่าอื่นก็เป็นดุจพวกโจรคำว่าสุดโตประสูตโตยังโอรสของเรานี้เกิดมาคือโอรสนี้เกิดแล้วในบัดนี้ก็โอรนั้นเป็นทูตแห่งความรักได้แก่ปรากฏเป็นทูตปรากฏเป็นดุจทูตแห่งความรัก เราเองก็ต้องการจะออกบวชในวันนี้แหละโอรถแม้นี้ก็เกิดในวันนี้เองโอนี้นะ่าอัศจรรย์เป็นดุดความรักส่งมาห้ามเราไปคำว่าสติงสิริมีติริปราศาสที่มีติริรุ่งเรืองด้วยรัตนเจตพการมีอำนาจนั้นมีพิษร้ายแรงมากเป็นเรือนที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลาน เพราะในเวลาที่ถูกสัตว์เ้วยครานซึ่งแม้จะงามดุจพวงมาลัยกัดเอาหรือสัมผัสถูกต้องเข้าย่อมได้รับพิษร้ายแรงนั่นเทียวดังนั้นปราศาสตร์แม้จะงามอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีพิษ ม, มีพิษร้ายเพราะลวงล่อเราให้ตัณหาเพิ่มขึ้นแล้วกดให้จมลงในสังสารวัตรพวกบุ้งขนบางตัวนี้ก็มีสีสวยงามมากนะแต่ถ้าไปโดนมันก็จะทาให้มี ความคันมีพิษนะเป็นพืนทั่วตัวเพราะฉะนั้นก็สิ่งเวยๆงามๆนี่ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่มีพิษนะทำให้ไม่สามารถที่จะออกจักว์ตะได้คําว่าดัันะมานายุวตีวตีมาสตรีเหล่านี้แผดเผาคือสตรีทั้งหลายผู้รุ่งเรืองด้วยรัสมีจากร่างกายเหล่านี้คําว่า ส, สัมชมาชเส ในหนทางที่ปัดกวาดแล้วอธิบายว่าเป็นรั้วหนามที่ตั้งปิดกั้นขวางทางแห่งพระนิพพานที่ชําระไว้ดีแล้วเพราะปราศจากขยะคือกิเลสและหนามคือทิฏฐิเราจะตัดขาดสตรีทั้งหมดจํานวนเท่านั้นในบัดนี้แหลก็ใจเดี่ยวมากเพราะว่ากรรมกุณทั้งหลายที่เลิศทั้งหลายก็อยู่ในตัวในตัวของสตรีนั่นแหละแต่สามารถที่จะละสตรีซึ่งมีจํานวนหมื่นเหล่านั้นรวมทั้งพระนาง ยโสธราพิมพากระาะออกไปได้ น, นี้ก็สมควรในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ายัศาวิราชิตะสิรีสิริอันงดงามของสตรีนางใดคือสิริที่งดงามของพระนางยโสธราซึ่งทรงบันทมอยู่เฉพาะหน้าของเรานางใดคำว่าสิริยาปินัติไม่มีแม้ติริเทพธิดา คือย่อมไม่มีแม้แกสตรีเทพธิดาผู้ให้สตรีแก่ชนทั้งปวงคำว่าตัดสาสตรีนางนั้นเป็นต้นอธิบายว่าอันการมองดูสิริแห่งรูปของสตรีนางนั้นผู้บังเกิดด้วยอา น, นาจแห่งบุญนับไม่ถ้วนเช่นนั้นจะห้ามความอิ่มได้ย่อมไม่มีคำว่าหันดะเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้คือเมื่อมองดูแล้วห้ามความอิ่มไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรด้วยการมองดูนาง เราจะไปละในเมื่อมองแล้วก็ยิ่งอยากมองมากขึ้นมากขึ้นทําให้อิ่มไม่ได้ก็เลยไม่มองดีกว่าการมเทพถามว่าท่านมหาบุรุษจะไปทําอะไรพระมหาบุรุษตอบว่าดูก่อนท่านการมเทพผู้เจริญเราจะไปตัดศรีรษะแห่งอวิชชาของท่านการมเทพถามว่าพระองค์จะเป็นเช่นไรพระมหาบุรุษตอบว่าเราจะไปอย่างดีลา การเยื้องกลายของสีหะบนกระพองช้างที่ตกมันอธิบายว่าพระมหาบุตรทรงดำริว่าเราจะไปดุดลีลาการเดินเยื้องกลายแห่งสีหะบนกระพองช้างตกมันไปทำลายคือกัดสีสะของท่านท่านจะไม่อาจนำเรากลับมาในบัดนี้ดุดในครั้งก่อนเพราะว่าทุกครั้งเลยก็เดี๋ยวก็กลับมาสู่เรือนกลับมาสู่บ้านกลับมาสู่สตรีบุตรภรยาสามีต่าง แต่ว่าไปครั้งนี้แล้วจะไม่กลับไปอีกเลยสิษะของกามะเทพก็คือวิชาก็หมายถึงวิชานั้นเป็นเหตุแห่งตัณหานะเพราะไม่รู้จึงติดข้องพอใจเรื่องหน้าของกาลว่าตัณหาเพราะว่าตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหานั่นเองบท ว, ว่าสุจิรัมปิปะนุนทภพาณโพโพอะนังคะดูก่อนกามะเทพผู้เจริญ ท่านผู้มีลูกศรที่ยิงออกไปแล้วแม้ตลอดการละนานนี้เป็นคําร้องเรียกโพโผนี po ่นะอธิบายว่าท่านการเทธพูชเริญผู้มีลูกศรที่ยิงออกไปแล้วคือทัดลูกศร อ, ออกไปแล้วแม้ตลอดการละนานคือตลอดการหาเบื้องต้นมีได้จึงอยู่ชาวโลกย่อมกล่าวว่าจิตที่เป็นไปในรูปารมสัทธารมคันธารมรสารมและโพธัภารมทั้งหลาย คลุกคลีกับการมาคุณห้าแล้วมีความรักกำหนัดเป็นลูกสอนทั้งห้าของกามเทศกามคุณห้านี้เป็นลูกอของการมเทศนะก็คือของความกำหนัดตัณหานั่นเองคำว่าพานานิสังหาระท่านจงเก็บลูกสอนทั้งหลายอธิบายว่านับแต่นี้ไปท่านจงเก็บลูกสอนทั้งหลายของท่านใส่เข้าในแล่งที่เก็บลูกสอนเก็บไว้ในที่ปกปิดที่อื่นท่านจะไม่เห็นเราอีก ท่านจงยิงลูกศรที่ฟูใจแต่นี้ท่านจงหยุดยัง้งจงอันตรทานไปในที่นี้ที่นี้แหละอีกอย่างหนึ่งปรากฏเป็นคำว่ามนุนนัมิโตมีอธิบายว่าท่านเป็นผู้มีมาณะฟูใจจงอย่ายืนตรงหน้าของเราจงถึงความดับไปในที่นี้แหละเมื่อท่านดับไปก็จะมีมา a ั a ที่ถึงเคราะห์ร้ายคือความวิบัติแล้ว จะไม่เศร้าโศกเพราะความดับนั้นเราจะเป็นสหายของท่านไปนานท่านอย่าเศร้าโศกว่าบัดนี้มหาบรุษข่าเราแล้วหนีไปท่านจงไปกระทำความโศกจงไปบนเพอเราจะไม่เอื้อเฟื้อต่อท่านผู้เศร้าโศกแล้วไปถูกสันติคือจะไปในที่มิใช่วิสัยของท่านคำว่ากามคุเนรติงอลังความยินดีในกามคุณ ยาเลยคือพระมหาบุรุษทรงทิ้งความยินดีในการบคุณแล้วทรงดรํมิตถึงความยินดีในวิเวกว่าสมควรคือสูงสุดคำว่ามนังคือมะเนะคำว่ามนังคาละยะสัมปดาละยังทรงทาลายความอะไรในความรักจากไปทรงทาลายความอะไรในความรักจากใจ คือกระทาการทำลายอิทธิรัตนนั้นซึ่งเป็นที่อิงอาศัยแห่งความรักคือกระทาการแยกออกเป็นสองส่วนคำว่าตาหิงในที่นั้นคือในห้องบรรทมนั้นอธิบายว่าเหมือนผู้ไม่มีกำลังคือเหมือนนางกุมาริกาเห็นงูนั้นได้แก่เห็นงูนั้นตกลงที่ศีรษะหรือที่ตักของตนแล้วหนีไปฉันใดเราผู้เป็นเจ้าชายจุคุมาชาตอย่างนี้ มิได้คิดว่าจากเป็นอยู่อย่างไรในสถานที่ที่ตนไปแล้วและสมบัติทั้งปวงและชีวิตยกเท้านั้นก้าวหนีไปฉันนั้นทั้งหมดนี้เป็นการพันนาอัตยาใสในเนเขมะของพระโพธิสัตว์นั้นโอ้ก็เป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวป่าฐานแกร่งกล้าอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยสามารถที่จะสละสามคุณทั้งหลายสละราชสมบัติ จะระสมบัติจั ก, กรพรรดิทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นพุทธศาส น, นิกชนเป็นสาวกบุทรชนสาวกของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจงได้ตรัทธาแล้วก็น้อมนําคําสอนเหล่านี้นามาไว้ในใจน้อมไปในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามโดยการละการมารคทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในศีลอบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็น้อมไปในการที่จะพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความ หน้าเบื่อหน่ายหน้ากลัวแล้วก็โดยความาเป็นโทษเพื่อที่จะออกเพื่อที่จะพ้นจากสำคัญเหล่านี้ไปสู่พระนิพพานอันเป็นแดนสันติใครท่านได้ถึงความสงบเพราะว่านิพพานเป็นความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ